วันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการจเจริญปัญญาบารมีความรู้ที่จะนำเอาไปกำจัดความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปทำลายการเกิดการแก่การเจ็บการตายทำลายการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญานี้มีอยู่สาม ระดับด้วยกันหรือสามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตะมยยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้อ่านได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ความรู้ระดับที่สองเรียกว่าจินตามายปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมปัญญาขั้นที่สามเรียกว่า ภาวนาไมยับปัญญาเป็นความรู้ขั้นที่สองที่มีสมาธิเป็นส่วนประกอบเป็นความรู้ที่มีพลังมากที่สุดมีความสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามายปัญญาคือต้องมีจินตามายปัญญาคือความรู้ที่ไม่ลืมและต้องมีสมาธิที่จะมาสนับสนุนในการ ใช้ความรู้คือปัญญานี้ไปดับความทุกข์ต่างๆนี่คือปัญญาสามขั้นด้วยกันถ้าเปรียบก็เหมือนกับร่างกายที่มีอยู่สามขั้นคือขั้นแรกคือขั้นเด็กทารก ขั้นที่สองก็คือขั้นเด็กโตขั้นที่สามก็คือขั้นของผู้ใหญ่กำลังของร่างกายทั้งสามขั้นนี้ก็มีมากน้อยต่างกันไปกำลังของเด็กเทาร ก, ก็มีน้อยกว่ากำลังของเด็กโต กำลังของเด็กโตก็มีน้อยกว่ากําลังของผู้ใหญ่ปัญญาก็เป็นอย่างนั้นสุตตามยะปัญญายังมีกําลังไม่มากพอสู้จินตามียะปัญญาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุตตามยะปัญญาพอฟังแล้วก็อาจจะลืมได้แต่จินตามียะปัญญา นี้จะจำได้จะไม่ลืมเพราะมีการพิจารณาอยู่เนืองๆมีการทบทวนความรู้อยู่เนืองๆจึงไม่ลืมแต่ก็ยังสู้ปัญญาระดับที่สามไม่ได้คือภาวนาไมยัปปัญญาเป็นเป็นปัญญาที่ไม่หลงไม่ลืม ที่ได้รับการสนับสนุนจากจิตที่มีสมาธนะิถึงจะเป็นปัญญาที่มีกำลังที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ปัญญาทั้งสามขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผู้ต้องการปัญญา จะต้องอจเจริญกันพัฒนากันจะข้ามขั้นตอนไปไม่ได้เพราะขั้นที่หนึ่งนี้มีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีปัญญาก็จะไม่สามารถรู้ว่าปัญญานั้นมีอะไรบ้าง จึงต้องอาศัยการศึกษาการเล่าเรียนจากผู้ที่รู้ก่อนเกิดจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีถ้าได้ศึกษาจากแหล่งทั้งสามนี้ก็จะได้ทมแท้ทำจริง ได้ปัญญาแท้ปัญญาจริงเพราะว่าผู้ที่ศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จะไม่มีปัญญาจึงต้องอาศัยการศึกษาเป็นขั้นต้นก่อนคือต้องไปเรียนจากผู้รู้เรียนจากพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เรียนจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกมีการ เ, าเก็บเอาไว้รักษาไว้ในหนังสือต่างๆในคำพีต่างๆในพระไตรปิฎกหรือไม่เช่นนั้นก็ศึกษาจากพระอริยสงสาวก ผู้ที่ได้บรรลุทำแล้วผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านก็จะมีปัญญาที่จะมาสอนผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้วิธีดับความทุกข์ไม่มีปัญญาจึงจําเป็นต้องสร้างปัญญาขั้นที่หนึ่งขึ้นมาก่อนคือสุตตมายาปัญญาปัญญา ความรู้ที่เกิดจากการได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่พวกเรากำลังทำกันในขณะนี้เรียกว่าเรากำลังมาเจริญสุตตะมยปัญญาพราะเวลาเราฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ถ้าทำที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ยินได้ฟังอีกก็จะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับนี่คือประโยชน์ของการฟังเทศฟังธรรมเป็นการสร้างปัญญาขั้นแรกขึ้นมาเราจะได้รู้ว่า ความรู้ชนิดใดที่จะทำให้เราดับความทุกข์ทางจิตใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ความรู้ที่จะดับความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจของพวกเราได้ก็คือความรู้ในไตรลักษณ์นี้เองไตรลักษณ์ก็คืออะไรหนึ่งไตรลักษณ์แปลว่าสามสามลักษณะ สามลักษณะอะไรจึงเรียกว่าเป็นสามลักษณะก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะเห็นจะสัมผัสผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือใจล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นไตรลักษณ์มีอยู่สามลักษณะสิ่งต่างๆที่เราได้สัมผัสรับดูนี้ มีอยู่สามลักษณะด้วยกันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นลาบยศสรรเสริญสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นไฟลักษณ์ทั้งหมดเป็นมีคุณลักษณะอยู่สามประการด้วยกัน ขา้นตแรกเรียกว่าอานิจจังอนิจจังนี้แปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อ ย, อยมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรามาสัมผัสไั้รู มาแล้วก็ไปเช่นเสียงที่ได้ยินเนี่พอได้ยินปั๊บมันก็หายไปเออันนี้ก็เป็นอนิจจ์นะพอได้ยินเสียงแล้วพอเสียงนั้นหยุดไปก็เป็นอ น, นิจจ์รูปก็เหมือนกันเห็นรูปนี้แล้วเดี๋ยวรูปนี้ก็หายไปเดี๋ยวก็เห็นรูปนั้นใหม่เห็นรูปนั้นต่อเห็นรูปนั้นแล้วก็ไปเห็นรูปนั้น รูปโน้นเห็นรูปที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เกิดที่ดับเสียงกลิ่นรสผธพระก็เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการมาแล้วก็มีการไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับบุคคลต่างๆที่เราตบปะรู้จัก ก็มีการมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการไปพราบุคคลทุกคนเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายจากกันไปนี่คือคุณลักษณะข้อที่หนึ่งของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจารุทรงเห็นแล้วก็เอามาสั่งสอน เพราะเป็นความรู้ที่จะทำให้ผู้รู้นี้สามารถหยุดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้คุณลักษณะข้อที่สองของสิ่งต่างๆก็คือทุกขังอนิจจังทุกขังทุกขังนี้แปลว่าความทุกข์ใจนี้เองความทุกข์ใจของผู้ที่ได้มาสัมผัสกับอนิจจัง ผู้ที่มาสัมผัสกับอนิจจังมักจะทุกข์กันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองได้มาพบปะได้มาสัมผัสรับรู้พอได้สัมผัสรับรู้อะไรแล้วมักจะมีความยึดติดกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้เช่นบุคคลต่างๆ ที่เราได้มาพบปะรู้จักพอรู้จักแล้วเราก็จะมีความยึดติดกับบุคคลเหล่านั้นพอมีความยึดติดแล้วก็จะมีความอยากให้บุคคลเหล่านั้นอยู่ไปนานๆไม่จากเราไปแต่บุคคลที่เรามาพบปะในรั้วนเป็นอนิจจังตรงนั้น รวนเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ต้องมีวันจากเราไปหรือถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปอพอเกิดการพัดพากจากกันพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดอนิจจังขึ้นมาใจของผู้ที่มาสัมผัสรับรู้มายึดติดกับสิ่งนั้น ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองนี่คือคุณลักษณะข้อที่สองของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะทําให้ผู้ที่มาสัมผัสรับรู้จะต้องทุกข์ใจกันทุกเพราะว่าเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความอยากให้สิ่งนั้นอยู่ไปนานๆไม่อยากให้สิ่งนั้น จากไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาพอเกิดเหการพัดพรากจากกันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีหรือบางทียังไม่เกิดเพียงแต่รู้หรือเพียงแต่คิดว่าจะเกิดก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที นี่คือคุณลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือทุกข์ขังคุณลักษณะข้อที่สคืออนัตตาอนัตตานี้ถ้าแปลตามตัวอักษรก็แปลว่าไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของของต่างๆที่มีอยู่นี้ไม่มีใครมาควบคุมบังคับ มาสั่งให้เขาเป็นสิ่งที่ถาวรได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้ล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาควบคุมบังคับให้เป็นอนิจจังได้คือให้เป็นสิ่งที่จีรังถาวรได้หรือไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เวลาเขาจะเป็นอย่างไร เขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเช่นร่างกายนี่ไม่มีใครไปสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ร่างกายเขาก็เป็นไปตามวาระของเขาเขามีเกิดแล้วเขาก็มีเจริญเติบโตแล้วเขาก็มีการแก่แล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีการตายไป ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่จะมาห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่เรียกว่าอนัตตาอนัตตก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวตนในร่างกายร่างกายถ้าพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเอง เป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟมาเป็นอาการสามสิบสองลองสำรวจดูร่างกายของพวกเราดูหนิว่ามีตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้เรามีอาการสามสิบสองหรือไม่รู้หรือรู้หรือไม่ว่าเรามีอาการสามสิบสองเคยสำรวจดูบ้างหรือไม่อุธต จ, จ้าบอกว่าร่างกายของพวกเรานี้มีหนึ่งคือผม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 ตัวเราคือใครตัวเราก็คือผู้คิดนี้เองเราคิดว่าร่างกายเป็นเราแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปคิดของเราเองว่าเป็นร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่เป็นเพียงความคิดไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วร่างกายเป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ทำมาจาก ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็มาทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารนี้ก็จะมีประกอบด้วยธาตุดินข้าวนี้ก็มาจากดินผักก็มาจากดินน้ำก็มาจากธาตุน้ำน้ำที่เราดื่มกันลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็มาก็เป็นธาตุลมความร้อนที่มีอยู่ในร่างกาย ก็มาจากความร้อนทางาภายนอกแลนะความร้อนจากทางภายในคือการมีการรวมตัวของธาตุสก็จะ้าวธาตุทั้งสามคือดินน้ำลมก็จะทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมานี่ก็คือร่างกายที่เรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ใจของเราขาดปัญญาเอใจของพวกเราทุกคนที่มาเกิดนี่ขาดปัญญาทุกคนแม้แต่พ่อแม่ก็ขาดปัญญาพ่อแม่เลยสอนอให้เราหลงตามที่เขาหลงพ่อแม่เขาก็คิดว่าร่างกายเป็นตัวเขาเขาก็คิดว่าร่างกายของเราเป็นตัวเราเขาก็สอนว่านี่คือเรา มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสาสบสองที่ประกอบมาจากดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกับขนมต่างๆที่เรารับประทานกันนี้ทำมาจากอะไรก็ทำมาจากแป้งจากไข่ จากน้ำตาลจากนมเท่านี้เองที่เป็นส่วนประกอบของขนมต่างๆทําแล้วผสมกันไปผสมกันมาก็มีขนมชนิดต่างๆแต่มันก็เป็นเพียงส่วนเป็นส่วนผสมของดินน้ํานําไฟเท่านั้นของอของของน้ําตาลของแป้งของนมของเนยของไขง่เป็นต้น เทนั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนตัวตนนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้คิดขึ้นมาเองว่าเป็นตัวตนแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีตัวตนแม้แต่ผู้รู้ผู้คิดเองก็ไม่ใช่ตัวตนผู้รู้ผู้คิดก็คือผู้รู้ผู้คิดนั่นเองแต่ไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมา เราก็เชื่อตามความคิดนั้นนี่เป็นเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นความเห็นผิดเป็นอวิชชาตรงข้ามกับปัญญาปัญญานี่เป็นความรู้จริงเห็นจริงรู้เป็นรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือ ความรู้ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีศึกษาจากพระธรรมคาสอนก็ดีศึกษาจากพระอริยสงสารวก็ดีนี่คือความรู้ที่เราจะได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่เคยฟังธรรมเลยเราจะเราจะได้ยินได้ฟัง <Yes. S 1> ความรู้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่รู้มาก่อน ไม่รู้คาว่าไตาลักษ์มาก่อนไม่รู้คาว่าอริยสัจสีมาก่อนนี่คือความรู้ที่เราจะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้นี่คือความรู้ขั้นต้นเรียกว่าปัญญาขั้นแรกขั้นทารกเป็นแต่รู้แต่เรายังไม่มีกําลัง ที่จะมาดับความทุกข์ได้ตอนนี้เรารู้ว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเรารู้ว่าร่างกายของคนที่เรารักจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่เรายังอดที่จะทุกข์ไปกับเขาไม่ได้เพียงแต่คิดว่าเขาจะต้องตายจากเราไปเราก็ทุกข์แล้วทั้งๆ ท, ที่เขายังไม่ได้ตายจากเราไปเลย เพราะว่าความรู้นี้มันยังไม่มีกำลังเหมือนเด็กทารกไม่มีกำลังเพียงแต่รู้ความจริงแต่รู้แล้วเดี๋ยวก็ลืม mm. พอฟังเทศแล้วพอเลิกฟังไปทำอะไรอย่างอื่น mm. ก็จะไปคิดเรื่องอื่นแทนไปรู้เรื่องอื่นแทนไปรู้เรื่องสิ่งที่เราไปทํากันไปทํางานก็จะไปรู้เรื่องงานเรื่องการ ไปเที่ยวก็จะไปรู้เรื่องเที่ยวไปทำอะไรก็จะไปรู้เรื่องที่เรากำลังทำอยู่เรื่องธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังก็หายไปทุกเรื่องใหม่ๆมากลกไปหมดเราก็เลยลืมเรื่องธรรมะไปลืมเรื่องปัญญาไปลืมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปลืมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไปลืมเรื่องอาการสามสิบสองไป เห็นใครก็เห็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเห็นเป็นหญิงเป็นชายเห็นเป็นนายกรนางขอชื่อนั้นชื่อนี้มีตําแหน่งนั้นมีตําแหน่งนี้กลายเป็นเห็นนายยกเห็นนายพลเห็นนายร้อยเห็นดาราเห็นอะไรไปแต่ของจริงมองไม่เห็นกันถูกของปลอมมากรบไปหมดของจริงคือ อาการสาวสบสองมองไม่เห็นดินน้ำลมไฟมองไม่เห็นอ น, นิจจังเกิดแก่เจ็บตายมองไม่เห็นเห็นแต่ในพลในพันนายกรัฐมนติประธานาทิ บ, บดีเห็นเศรษฐีเห็นอะไรต่างๆไปอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงความจริงมองไม่เห็นกัน Uh, ความจริงที่จะทำให้เราไม่ทุกนี้มองไม่เห็นไม่เห็นความจริงที่จะทำให้เราทุกพอเ็าเป็นแฟนเรานี่ทุกขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเขาเป็นอะไรไปเราจะทุกขึ้นมาทันทีพอเห็นข้าเขาเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราทุกขึ้นมาทันทีเห็นอะไรเป็นของเรานีทุกขึ้นมาทันที เป็นเงินเห็นทองเป็นของเราเลยทุกขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเป็นของเราแล้วเราจะยึดจะติดทันทีจะไม่อยากให้เขาจากเราไปทั้งๆ ท, ที่ความจริงตายรักมันก็บอกอยู่แล้วว่าของทุกอย่างนี้มันต้องจากเราไปหรือไม่เช่นั้นเราก็ต้องจากเขาไปเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราเราไปตู่เอาเฉยๆตู่ว่าเป็นของเรา พอตัว่าเป็นของเราพอเขาไม่เป็นของเราเราก็ทุกข์แล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เ, เวลาเขาจะจากไปเราไปตูอยังไงเขาก็ไม่กลับมาเงินทองถูกขโมยขโมยไปแล้วจะไปบอกว่าเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเราแล้วถูกใครก็โกงไปนี่ไปไปบอกว่านี่เป็นของเรามันก็ไม่กลับมาแล้วความจริงมันไม่ได้เป็นของเรา ถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราอะไรถ้ามันไม่อยู่กับเรามันจะเป็นของเราได้ไงมันไปนอยู่กับคนอื่นแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วอ่านี่คือความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาอ่านหนังสือธรรมะกันธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้จะชี้มาที่ไตรลักษณ์จะชี้มาที่อริยสัจสี่ ไม่ว่าจะแสดงธรรมกี่ครั้งเกี่ยหนพระไตรปดฎกนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามีมากมายถึงแปดหม่นสี่พันบทนี่ยสี่พันธรรมขันเนี่ยแต่มีความรู้อันเดียวกันทั้งนั้นคือรู้เรื่องของไตายักษรู้เรื่องของอริยรรสัจสี่นี้เท่านั้นพูดแต่เรื่องไตายรักเรื่องอริยสัจสี่ ดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีศึกษาจากพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระตไตรปิฎกก็ดีหรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จะได้รู้ความจริงได้รู้จากไตรลักษณ์ได้รู้จากอริยสัจสี ถ้าเรารู้แล้วฟังแล้วถ้าเราไม่อยากให้ความรู้ที่เราได้ฟังนี้หายไปเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องไปทำการบ้านเหมือนเราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเรียนแล้วครูรู้ว่าถ้าไม่มีการบ้านเดี๋ยวกลับมาก็ลืมละก็เลยให้เอาการบ้านกลับมาทำทาที่บ้านถ้าเรียนกอไก่กลับมาบ้านให้กลับมาเขียนกอไก่ขอไข่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนจะได้ส่งให้ครูว่าได้ ได้ได้ทำการบ้านแล้วได้กลับไปจดไปจำแล้วกอไก่ขอไข่อันนี้ขั้นที่สองก็คือเราต้องมาทำการบ้านกันเพื่อที่ให้เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมความรู้ที่ เ, เราได้เรียนจากพระพุทธเจ้าก็ดีได้เรียนจากพระธรรมคำสอนก็ดีได้เรียนจากพระอริยสงสารุษก็ดีเราต้องมาพิจารณาทำการบ้านอยู่เนือง เหมือนเราเรียนกอไก่ขอไข่แล้วกลับมาบ้านก็ต้องมาท่องกอไก่ขอไข่เรียนเลขเราก็ต้องกลับมาบ้านหัดบวกเลขหัดนับหนึ่งสองสามถ้าเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วพอกลับบ้านไม่มีการทำการบ้านมันจะเลืมได้ลือมแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่กลับไปเรียนใหม่มันก็จะไปไม่ได้มันก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นความรู้ที่ จะนำเอาไปใชยให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วได้สุตตามยาปัญญาแล้วขั้นที่สองเราต้องเปลี่ยนพัฒนาสุตตามย า, ามยาปัญญานี้ให้เป็นจินตามยาปัญญาจินตาก็คือจินตนาการนี่มาจากคําว่าจินตนาการเราต้องเอาจิตเรามาจินตนาการกับความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง เอามาทบทวนเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆคำสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆเช่เนเบื้องต้นก็ให้พิจารณาร่างกายของเราร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เรียกว่าพิจารณาอนิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายและของเราเองและของผู้อื่นเป็นเหมือนกัน หรือจะพิจารณาสิ่งที่เราไปหลงยึดติดอยู่ในขณะนี้ก็ได้มีอะไรบ้างที่เรากําลังยึดติดอยู่นอกจากร่างกายก็ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเรายึดติดกันเราก็ต้องมาพิจารณาว่ามันก็ไม่เที่ยงมีลาบได้ก็เสื่อมลาบได้มียศได้ก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้ มีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาก็มีทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพภะได้เวลาได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผทดถภะที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผทดถภาที่เราชอบหายไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผทดพภาที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่สอนให้เราจำไว้ ว่าของพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันมันเป็นเหมือนงูพิษแต่เราไม่รู้กันเป็นเหมือนเด็กเด็กมันจะไม่รู้ว่างูพิษเป็นอะไรเด็กจะคิดว่าเป็นเหมือนของเล่นของเล่นเด็กมันไปจับไปเล่นมันก็คิดว่าเห็นงูพิษก็จะไปเล่นกับมันถ้าไม่มีพ่อหรือแม่เห็นเขาเดี๋ยวเด็กก็จะถูกงูพิษนั่นกัดแต่ถ้ามีพ่อหรือแม่ คอยเฝ้าดูเด็กพองูพิษเดินเข้ามาพ่อจะดึงเด็กออกมาทันทีเราจะสอนว่าหนูอย่าไปเล่นกับมันมันกัดนะเจ็บตายได้พอสอนเด็กรู้ต่อไปเด็กก็จะกลัวเยอะงูพิษกันพวกเราก็เป็นเหมือนเด็กที่ไม่มีใครสอนกันสอนก็ไม่จำกันความจำสั้นสอนว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปฐพิะนี้มันเป็นทุกข์นะ ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของที่เรายืมเขามาเขาให้เรามายืมมาเล่นเท่านั้นเองเดี๋ยววันดีคืนดีเขาก็จะมาทวงคืนไปแต่เราพอได้มาแล้วไม่ยอมคิดอย่างนั้นคิดว่าเป็นของเราทันทีหวงขึ้นมาทันทีเขามาทวงก็ไม่ยอมให้เขาเขาไม่ให้เขาก็เอาไปอยู่ดีถึงเวลาเขาจะเอาไป พอเข้ า, เาไปจริงๆก็ทุกข์ขึ้นมาพอเสื่อมลาบยศชนะเสริญพอเสียรูปเสียกลิ่นรดที่รักที่ชอบไปก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกข์กี่ครั้งก็มักจะไม่เข็ดไม่จำพอทุกข์แล้วก็หาใหม่พอเงินหมดก็หาเงินใหม่อีกพอแฟนทิ้งก็หาแฟนใหม่หรือพอเบื่อกับแฟนเลิกกับแฟนก็เปลี่ยนใหม่ก็หาแฟนใหม่กัน ของพวกนี้รู้สึกว่ามันจํายากหรือว่ามันใจมันดื้อก็ไม่รู้ใจมันยอมทุกเพราะว่ามันขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เวลาขาดนี้มันทุกข์ยิ่งกว่าเวลาที่มันต้องมาทุกข์กับเวลาที่ได้มันมานั้นมันจึงกลับไปหาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยกลับไปหางูพิษให้มันกัดอยู่เรื่อยเพราะเวลาไม่ถูกงูพิษกัดนี้มันเจ็บกว่า มันเลยอยากจะต้องกลับไปหางูพิษให้คอยให้งูพิษกัดเรื่อยๆเนี่ยนี่คือลักษณะของพวกเราที่เกิดมาในโลกเนี้ยกลับมาหางูพิษกันเนี่ยตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาอะไรก็กลับมาหาราบยศสรเสริญกลับมาหารูปเสียงกลาาิ่นรสผลิภัณฑ์เเพราะเวลาที่ไม่มีมันนี่มันทุกข์ยิ่งกว่ามีมันนั่นเอง เวลาไม่ได้เสพนี่โอมันทรมานเหมือนคนติดยาเสพติดนะคนติดยาเสพติดนี่ยอมตายยอมเสพยาเสพติดแล้วตายดีกว่าอดยาเสพติดเพราะความทุกนี้มันหนักสาหัสกว่าความตายนั่นเองนี่คือปัญหาของพวกเราเราจรึงแก้ปัญหานี้ไม่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีคนที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคนที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาก็คือพระพุทธเจ้า พระุธเจ้าบอกจะแก้ปัญหาเรื่องของความอยากในสิ่งต่างๆนี้เราต้องมอีเครื่องมือถ้าเราแก้โดยความรู้เพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่ใช่ของเรานี้มันไม่พอที่จะทำให้เราหยุดไปหามันได้วิธีที่จะทำให้เราหยุดไปหามันได้เราต้องหาเราต้องสร้าง ความสุขขึ้นมา ท, â, ทดแทนความสุขที่เราไปอาศัยจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขนั้นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขอีกความสุขนั้นที่เราไม่รู้จักกันที่มีอยู่ในตัวเราที่เราสามารถผลิตสร้างมันขึ้นมาได้ถ้าเราสามารถสร้างผลิตความสุขที่มีอยู่ในตัวเราขึ้นมาได้ เราก็จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆได้อยู่โดยที่ไม่มีราบยศสันทรสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสดมาให้ความสุขกับเราได้เราก็จะเลิกได้ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นเหมือนยาเป็นเหมือนยาพิษหรือเป็นเหมือนงูพิษนั่นเองตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นเหมือนงูพิษยาพิษแต่เราไม่มีความสุขในตัวเรา เรายัางต้องพึ่งความสุขจากงูพิษอยู่เราจึงยอมให้มันกัดเราไม่แต่ถ้าเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากงูพิษเมื่อไหร่เราก็จะเลือกไปหางูพิษได้ทันทีนี่นึงนำไปสู่ปัญญาขั้นที่สามคือภาวนาเมายภปัญญาพอเรามีจินตามายภาพปัญญาแนละ้วเรารู้แล้วจำได้แล้วไม่หลงไม่ลืมแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นทุกข์มีอะไรแล้วก็จะต้องทุกข์เพราะว่ามันจะต้องหมดจะต้องมีการพัดภาคจากกันพอเรารู้แล้วแต่เรายังเลิกไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีสิ่งที่จะมาทดแทนความสุขจากสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกเราต้องมาสร้างสมาธิกันมาภาวนากันมาเจริญสมัมถาภาวนากัน ถ้าเราจเจริญสมถะภาวนาได้ใจของเราจะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นอุเบกขาจะเป็นสุขใจจะเฉยได้จะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขพูดง่ายๆคืออุเบกขาอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นนอสผลปะไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ มาคอยให้ความสุขกับเราเพราะเขาจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนั่นเองวันดีกืนดีเขาก็อาจจะจากเราไปพอเขาไม่ให้ความสุขกับเราความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ ท, ทันทีแต่ถ้าเราสร้างสมาธิขึ้นมาได้ทำใจให้สงบได้ เราจะมีความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด น, นี่คือสิ่งที่ดีของความสงบของความสุขที่เกิดจากความสงบก็คือพอเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆให้มันอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆพอเรามีความสุขที่มีอยู่ในตัวเราแล้วพอเราเห็นด้วยปัญญา เห็นว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากร่างกายของเราเองว่ามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วเพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมันเป็นอนิจจังมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับอนัตตาห้ามมันไม่ได้ ไปสั่งให้เขาไม่ดับไม่ได้สั่งให้เขาจีรังถาวรไม่ได้เขาจะต้องเป็นอนิจจังเสมอเขาจะต้องเป็นอนัตตาเสมอถ้าเราไปยึดไปติดเขาเราก็จะต้องทุกข์เสมอแต่ถ้าเรามีสมถะภาวนาเราสามารถสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้เราก็สามารถทิ้งความสุขในรูปแบบเก่าได้ เหมือนกับถ้าเรามีเงินไปซื้อรถใหม่รถเก่าโกโรโกโซโบางทีก็วิ่งบางทีก็เสียกับรถใหม่ที่วิ่งได้ตลอดเวลาเราจะเลือกจะใช้รถคันไหนดีถ้ามีเงินซื้อรถใหม่ปั๊บรถเก่าก็ทิ้งเลยขายทิ้งเลยเก็บไว้ทำไมมีแต่ค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวก็ต้องซ่อมเดี๋ยวก็ต้องซ่อมรถใหม่นี้ไม่ต้องซ่อมต้องการจะวิ่งไปไหนมาไหนเวลาไหนเมื่อไหร่ไปได้ทันที ไปได้อย่างรวดเร็วไปได้อย่างสบายตอนนี้พวกเราไม่มีรถใหม่กันเราจะต้องทุกอยู่กับรถเก่ามันเก่ายังไงมันต้องซ่อมก็ต้องซ่อมมันยังต้องคอยเอาเข้าอ่ก็ยังดีกว่าไม่มีรถใช่ไหมถ้าไม่มีรถนี่มันลำบากกว่าต้องเดินถ้ามีรถถึงแม้ว่ามันจะเสียก็มันไม่ได้เสียตลอดเวลาเวลาที่เสียก็ไปซ่อมมันอดใจรอไว้หน่อย เดี๋ยวพอส่อมเสร็จก็เอากลับมาวิ่งต่อได้นี่ก็คือความสุขของพวกเราที่เราเป็นมีอยู่ฐนานะนี้เป็นเหมือนความสุขที่ได้จากรถเก่าๆเพราะเราไม่มีเงินซื้อรถใหม่นั่นเองตอนนี้เราโชคดีเรามาเจอเศรษฐีเจอพระพุทธเจ้าท่านเอาเงินมาให้พวกเราให้เงินเอาเงินให้พวกเราไปซื้อรถใหม่กันะไปซื้อความสุขในรูปแบบใหม่ เงินของพระธเจ้าก็คือวิธีสอนให้เราฝึกสตินั่งสมาธิกันนั่นเองไม่คิดเงินไงก็เป็นเหมือนให้เงินฟรีๆนั่นเองไปเรียนหนังสือที่ไหนเขามีเขาไม่คิดเงินบ้างใช่ไเขาคิดกันทุกแข่งทุกคนมีที่วัดนี้เท่านั้นหละที่ไม่มีการคิดเงินคิดทองให้ฟรีๆให้เงินเราไปซื้อรถคันใหม่ไปซื้อความสุขในรูปแบบใหม่ ที่จะทําให้เราจะได้ทิ้งความสุขในรูปแบบเก่าไปให้หมดเพราะความสุขที่เราใช้มีกันอยู่ในตอนนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์มันจะกลายเป็นความทุกข์อยู่เรื่อยๆเป็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวกาแฟหมดก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวไฟดับก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวน้ําปรับปลาไม่ไหลก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวน้ํามันขึ้นก็ทุกข์แล้วอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ย <S S S> yeah. เพราะว่าเราไม่มี เงินไปซื้อรถใหม่กันไม่มีปัญญาไม่มีคนมาสอนวิธีสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่เราจะได้ไม่ต้องมาเพิ่งความสุขในรูปแบบเก่าพอเราไปฝึกสมาธิได้ไปเจริญสติได้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอ พ, พุทะเจ้าทรงตัดว่านัติสันติปรลังสุขขัง สุกอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขอื่นคืออะไรก็สุขจากลาบยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผัพะสุขจากคนนั้นคนนี้สุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ตอนนี้พวกเราโชคดีชาตินี้โชคดีได้มาเจอเศรษฐีคือพระพุทธเจ้าที่ท่านเอาธรรมะมาแจากเราฟรีๆธรรมทาน ธรรมะนี่แหละคือทรัพย์อันยิ่งใหญ่ทรัพย์ที่จะทำให้เราได้ความสุขอันยิ่งใหญ่อริยะทรัพย์พยคือวิธีทำใจของเราให้สงบให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่เลิศที่ประเสริฐนี้อยู่ที่ความสงบนี้เองอยู่ที่การทำใจให้สงบถ้าใจเราไม่สงบก็มาทำใจให้เราสงบท่านั้นไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลยมีคนทำมากันเยอะแยะนะ พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกก่อนที่ท่านจะมาเจอความสงบท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ไปหาความสุขแบบพวกเราแต่ท่านมีปัญญาท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขท่านก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีท่านก็เลยนึกถึงสมัยที่ท่านเคยเป็นเด็กเคยอยู่เคยมีอยู่วันหนึ่งท่านอยู่ประทับอยู่ตามลําพังอยู่ภายใต้ต้นไม้วันนั้นพวกข้า บริษัทบริวารเขาไปมีภารกิจอย่างอื่นเลยปล่อยให้ท่านนั่งประทับอยู่ตามนำพังพอจิตของท่านที่เคยสงบมาจากชาติก่อนพอไม่มีใครมาห้อมร้อมมารบกวนจิตจิตก็รวมเขาเป็นสมาธิจิตก็พบกับความสุขที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เป็นเพียงแค่แป๊บเดียว พอหลังจากนั้นเดี๋ยวพวกบริษัทบริวารก็กลับมาพอกลับมาเขาก็มาหลอกมาล่อให้ท่านไปเล่นไปทําอะไรเพื่อให้ท่านไม่เหงาเห็นว่าท่านนั่งอยู่คนเดียวร้องเหงาจะทุกข์ก็เลยหาความสุขมาหลอกมาล่อท่านแต่เขาไม่รู้หรอกว่าท่านกําลังมีความสุขอยู่ตามลาพังของแต่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องมากมายพอแต่เป็นความ จำที่ไม่ลืมว่าอ๋อมีความสุขแบบนี้อยู่เป็นความสุขที่บรรดา น, นักบวชทั้งหลายเขาแสวงหากันท่านก็เลยเสด็จออกบวชเพราะท่านไม่อยากจะทุก์กับความสุขที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านอยากจะได้รถใหม่รถเก่ามันโกโรโกโซมีแต่ปัญหาเดี๋ยวก็ทุกกับคนนั่นทุกขกับคนนี้ทุกกับสิ่งนั่นสิ่งนี้ ท่านก็เลยบอกไปดีกว่าพอมีกองทุกกองสุดท้ายจะมามอบให้กับท่านท่านก็เลยหนีพอได้ข่าวว่าภรรยาจะมอบลูกให้ก็ไม่เอาแล้วไปแล้วพอแล้วทุกมาพอแล้วนี่จะมาเพิ่มความทุกข์ให้อีกกองไม่ไหวแล้วก็เลยต้องหนีไปหนีออกบวชไปแล้วก็ไปบำเพ็ญไปหาไปสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ ก็ทำไปทำมาก็สามารถที่จะพบกับความสุขที่สงบขั้นต้นก็เป็นความสุขชั่วคราวก่อนเพราะผู้ที่สอนสอนได้แค่ความสุขวความสงบชั่วคราวความสงบที่ทำจิตให้สงบอยู่ในสมาธิพุทโธพุทโธหยุดความคิดนั่งหลับตาจิตก็นิ่งสงบได้ความความสุขก็ปรากฏขึ้นมารูเบคขาก็ปรากฏขึ้นมาแต่เวลาออกจากสมาธิมา มันหายไปเหมือนน้ำที่แช่อยู่ในตู้เย็นพอเอามาจากตู้เย็นสักพักหนึ่งความเย็นมันก็จะค่อยๆหายไปจิตที่เข้าสมาธินี้เวลาออกมาใหม่ๆมันจะเย็นเหมือนอยู่ในสมาธิแต่พอมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นร้มาคิดปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้ความร้อนมันขึ้นมาเพราะความคิดปรุงแต่งอยู่ยังอยู่ภายใต้อานาจของอวิชชาอาวิชชาจะให้คิดปรุงแต่งไปหาความอยากต่างๆ หารูปเสียงกลิ่นล่นหาตาหูจมูกลิ้นกายหาร่างกาย mm hmm. พอไปคิดถึงร่างกายทีหลายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องแก่เดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บเดี๋ยวเราก็ต้องตายอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรให้ไม่ทุกข์กับเวลาออกจากสมาธิแล้วมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงก้นพบว่าที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ เวลาเข้าสมาธินี้มันหยุดคิดหยุดอยากมันก็เลยไม่ทุกข์แต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดมันก็อดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เรารักเราชอบไม่ได้พอไปคิดถึงสิ่งที่เรารักเราชอบเช่นร่างกายของเราเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพระพุทธเจ้าเป็นคนที่คนพบว่า ความสงบที่ถูกทำลายหลังจากออกจากสมาธินี้ถูกทำลายด้วยความคิดปรุงแต่งที่ไปคิดถึงร่างกายที่ไม่เที่ยงแล้วอยากให้มันเที่ยงร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรา <Yeah. S 1> มันจึงทุกข์เนยพระพุทธเจ้าเลยคนพบตายรักตายรักในร่างกายตายรักคือร่างกายมันไม่เที่ยง uh. มันแก่มันเจ็บมันตายอนัตตามันเป็นดินน้ำลมไฟ ไปสั่งไปห้ามเดินน้ำลมไฟไม่ได้เดินน้ำลมไฟก็เหมือนฝนฟ้าอากาศนี่เราไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้สั่งให้มันหยุดไม่ได้มันจะตกก็ตกถึงเวลามันจะตกก็ตกถึงเวลามันจะหยุดก็หยุดเนี่ยร่างกายก็เป็นแบบนั้นที่เราทุกขก็เพราะเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าความสงบนี้ถูกทาลายเพราะความอยากนี่เอง อยากให้ร่างกายเป็นเป็นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆานและความนสิ่งต่างๆก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเราก็พอมีอะไรเราก็ยึดเราก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆเป็นของเราไปนานๆานานพอมันไม่เป็นเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ทำใจเหมือนเราอยู่ในสมาธิเลก็คิดว่าเราอยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ เราก็อย่าไปคิดอย่าไปอยากเราก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเหมือนตอนเรานั่งอยู่ในสมาธิเราก็ปล่อยร่างกายตอนนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่รับรู้เวลาอยู่ในสมาธิร่างกายเจ็บก็จะไม่รับรู้รับรู้ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีปฏิกิริยากับอาการเจ็บของร่างกายเพราะใจเป็นอุเบกขาตอนที่อยู่ในสมาธิ นั้นสิ่งที่เราต้องรักษาคือเวลาออกจากสมาธิแล้วต้องรักษาอุเบกขานี้ให้อยู่ต่อไปอุเบกขาจะอยู่ก็ต่อเมื่อเราไม่คิดปรุงแต่ง ไ, ไม่ไม่ไม่อยากกับสิ่งต่างๆว่เวลาเกิดความอยากก็ต้องรีบหยุดมันทันทีถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมันจะพาให้เราออกจากอุเบกขาถ้าเรามิถ้าเรามีปัญญาสอนใจเราก็จะดึงใจว่าอย่าออกตันหาเรียกให้ไปเที่ยวก็อย่าไป เดียกให้ไปทำอะไรที่เป็นความอยากก็อยากไปให้อยู่กับอุเบกขาเฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีกำลังมันที่จะมาดึงใจให้ออกจากอุเบกขาใจก็จะเป็นอุเบกขาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ในสมาธิเมื่อใจมีอุเบกขาแล้วใจก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางที่สิ่งที่เป็นอนิจจังทั้งหลายได้ เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้ามีตัณหาความอยากถ้าออกจากอุเบกขาเมื่อไหร่ก็จะทุกข์ทันทีถ้าไม่ออกจากอุเบกขาเพียงแต่สักแต่ว่ารู้จะไม่ทุกข์จะนั่งกายแก่ก็ให้สักแต่ว่ารู้ว่ามันแก่อย่าไปออกไปอย่าไปอยากให้มันไม่แก่อย่าไปย้อมผมอย่าไปทำผิว อย่าไปอทําสัญญกรรมตกแต่งต่างๆอหรือไม่ฉะนั้นก็อย่าไปเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอภรรด์แต่งให้มันดูแล้วสาวขึ้นหนุ่มขึ้นอออันนี้อย่าไปทํานี่แสดงว่าตันหาออกมานะ้วความอยากไม่แก่ออกมาแนะ้อยากก็เดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะว่ามันจะฝผยความจริงไปไม่ได้ทํายังไงมันก็อาจจะอ่ะ ผ่อนคลายความจริงให้มันช้าลงหน่อยเท่านั้นเองแต่มันก็เดี๋ยวก็มันก็ต้องมาอยู่ดีความแก่ยังไงมันก็ต้องตามมาอยู่ดีเหนื่อยไปเปล่าๆทุกไปเปล่าๆคนที่มีอุเบกขาแล้วจะไม่ังไม่อยากจะออกจากอุเบกขาปล่อยร่างกายดีกว่าปล่อยอุเบกขาให้เลือกระหว่างอุเบกขากับเรื่องของสิ่งที่เรารักยอมปล่อยสิ่งที่เรารัก เพราะสิ่งที่เรารักนี่มันเป็นพิษเป็นภัยแต่อุเบกขานี้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจมันจะรักษาจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบนี่แหละคือส ม, มะถภาวนาที่ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เราจึงเรียกว่าภาวนามายปัญญาต้องมีทั้งสองอย่างต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นอนุสุภะ เห็นธาตุสี่เห็นดินน้ำลมไฟเห็นอนัตตาเห็นปฏิกูลอาหารถ้าเห็นแล้วมันก็จะไม่อยากจะรับประทานแต่ถ้ายังไม่มีสมถภาวนาถ้ายังไม่มีอุเบกขามันก็ยังสู้ความอยากไม่ได้เพราะว่ามันหิวแต่พอมีอุเบกขามีสมถภาวนาจิตมันจะอิ่ม พอมันอิ่มแล้วมันเห็นว่าอาหารนี้โสกโปกมันก็ไม่อยากจะกินแต่ถ้ายังหิวนี่สกโปกก็ยังยอมกินอาหารที่ตกไปในดินก็อย่างน้อยก็กลับมาเช็ดมันหน่อยก็ยังกินได้ถ้าหิวฮแต่ถ้าอิ่มแล้วไม่แตะใช่ไหมาอาหารมันตกลงไปในดินแล้วก็ทิ้งมันไปถ้าเราอิ่มแล้วแต่ถ้าเราหิวนี่เราจะกล้าทิ้งมันหรือเปล่าไม่ทิ้งหรอกเอามาเช็ดเอามาล้างหน่อยเอามากินใหม่ยังกินได้อยู่ อันนี้ก็แบบเดียวกันถ้าจิตเราไม่อิ่มเนี่ยต่อให้เราเห็นปัญญามีปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่สวยไม่งามนั่งกายของคนไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองต่อไปจะต้องกลายเป็นซากศพเห็นนูรู้ว่าเป็นซากศพก็ยังอดที่จะไปนอนด้วยไม่ได้เพราะมันมันยังไม่เป็นซากศพจริงนั่นแหละแต่พอเป็นซากศพจริงก็ไม่เอาเหมือนกันพอไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่เอาเหมือนกัน ต่อให้ดีขนาดไหนก็ไม่เอานีบางทีเราจึงต้องไปเยี่ยมป่าช้ากันไปดูซากศพกันมันถึงจะได้มันจะได้จดได้จําจะได้เห็นของจริงจะได้รู้ว่าเรากําลังนอนกับซากศพอยู่ทุกคืนเนี่ยแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยเห็นซากศพกันเราเห็นแต่คนที่ยังมีลมหายใจเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นซากศพลอมมาเป็นคนที่มีลมหายใจเราก็เลยหลงนอนอยู่กับคนที่เป็นซากศพ เพเราไม่รู้ว่าเขาเป็นซากศพแต่พอเขาไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่นี้เรารู้รู้ขึ้นมาทันทีอ๋อตอนนี้เขาเป็นซากศพแล้วนอนกับเขาไม่ได้แล้วรักกันขนาดไหนก็ไม่เอาแล้วไม่เก็บเอาไว้ในบ้านนะอันนี้ทํำไมเราจึงต้องไปเยี่ยมป่าช้ากันพระพุทธเจ้าสมัยก่อนคนตายก็ไม่ไปฝังก็ไม่ไปเผาก็าไปทิ้งในป่าชา้าให้มันเน่าเปื่อยให้มัน ให้มันเสื่อมไปตามสภาพของมันถ้าไปเยี่ยมป่าชาจะได้เห็นภาพที่แท้จริงของร่างกายที่เวลาที่มันไม่มีลมหายใจแล้วมันจะขึ้นอืดขึ้นพองเขียวช้ำดำฟกช้าดำเขียวขึ้นอืดแล้วเดี๋ยวก็ ม, มีแรงกามากัดมากินม่ตัวนอนมาช้ยมีมดมีอะไรเดี๋ยวสร้เดี๋ยวก็มีหมาแมวแทมากัดกระดูก ดึงร่างกายแยกไปเป็นชิ้นๆกระดูกไปทางแขนไปทางขาไปทางอันนี้จะได้เห็นสภาพของร่างกายเห็นความจริงถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิมันก็ยังลืมได้พอกลับมาปั๊บเดี๋ยวมันเห็นร่างกายที่ไม่ยังมีลมหายใจอยู่มันก็ลืมร่างกายที่ไปเพราะว่ามันยังหิวอยู่ ก็เหมือนอย่างที่บอกอาหารที่มันเปื้อนแล้วเราก็เอามาเช็ดเอามาล้างมากินใหม่ซากศพที่ยังไม่ตายเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นซากศพก็ยังอยู่กับเขาได้เพราะเราหิวเราถ้าไม่มีเขาแล้วเร า, เราไม่มีความสุขเราทุกข์นั่นเองเราเลยยังต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอยู่ทั้งๆที่เราก็มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาพิจารณาธรรมกันอยู่เรื่อยๆ เราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเป็นร่างกายมันก็ไม่สวยไม่งามถ้าเป็นอาหารมันก็ไม่น่ากินแถ้าใจเรายังหิวอยู่นี่เราก็ขาดมันไม่ได้เราพยายามลืมมันไปไม่พยายามไม่คิดถึงมันไม่คิดถึงอนิจจังไม่คิดถึงอนัตตาคิดแต่อนิจจังคิดแต่สุขขัง เห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นสุขไปหมดตอนนี้ใจเราหลอกตัวเราเองมองอะไรเราจะมักจะมองว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรปั๊บก็คิดว่าได้มาแล้วจะต้องมีความสุขแล้วจะอยู่กับเราไปเรื่อยจะไม่จากจะเป็นของเราไปเรื่อยเราจึงต้องมาผิดหวังกันมาล่องห่มล่องห้กันในภายหลังเราชอบมาถามว่าทาไมต้องเป็นอย่างนี้ทาไมเขาต้องตายทาไมเขาต้องจากเราไป ก็มันเป็นอย่างนี้มาแต่ดั้งเดิมเราไม่สนใจที่จะไปศึกษาไปเรียนรู้เองเราไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมคิดถึงมันเราก็เลยต้องมาล่องห่มล่องไายกันเพราะสิ่งที่เราอยากได้นี้ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติด แล้วขั้นที่สองเราต้องทําคือหลังจากฟังแล้วก็ต้องไปทําการบ้านเมื่อทําการบ้านจนจดจําได้แล้วแต่ยังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมถะภาวนายังไม่มีความสุขที่จะมาทดแทนความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆเราก็ต้องมาฝึกทําสมาธิทําใจให้สงบให้เกิดสมถะให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พอเรามีความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงทีนี้ความสุขอย่างอื่นล้วก็ทิ้งได้ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละถึงจะเรียกว่าปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ที่เรียกว่าภาวนามายปัญญาแต่ภาวน า, า, วนามายปัญญาก็ต้องอาศัยสุตตามายปัญญาอาศัยจินตามายปัญญาถึงจะเป็นภาวนามายปัญญาขึ้นมาได้ เหมือนกับร่างกายก็ต้องเป็นทารกก่อนถึงจะเป็นเด็กโตได้จากเด็กโตถึงจะเป็นผู้ใหญ่ได้มันก็เป็นขั้นเป็นตอนที่เราจะต้องพัฒนากันไปดังนั้นถ้าเรายังไม่รู้เรื่องธรรมะเลยก็ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังกันบ่อยๆฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจต้องฟังอยู่เรื่อยๆเพราะความรู้ทางปัญญาทางธรรมะนี้มันลึกซึ้งต้องอาศัยความฉลาดแหลมคมของผู้ฟังด้วยถึงฟังแล้วถึงจะเข้าใจ บางคนฟังหลายครั้งก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังไปเรื่อยๆหรือต้องเปลี่ยนที่ฟังฟังที่ดีไม่ได้เรื่องอาจจะต้องไปหาที่อื่นฟังเพราะว่าที่ที่นี่อาจจะพูดไม่รู้เรื่องคนฟังก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยต้องไปเปลี่ยนที่ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้มีพระหลายหลายรูปแบบวิธีสอนของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันสอนง่ายสอนยากไม่เหมือนกัน<ม>ก็เปลี่ยนไปจนกว่าจะได้ที่ที่เราเข้าใจ พอเข้าใจแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติด้วยการไปหมั่นพิจารณาอยู่เนืองเนืองแล้วก็ไปฝึกสมาธิควบคู่กันไปพอเราพิจารณาอยู่เนืองเนืองเราก็จะไม่หลงไม่เลืม่มพอเราจเจริญสมาธิได้เราก็จะได้ความสงบได้ความสุขได้อุเบกขาพอเราได้นี่แล้วเราก็จะปล่อยสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เพราะปัญญาจะบอกเราอันนี้เป็นทุกข์นะอย่าไปเอานะพอเรารู้ว่ามปนทุกข์เราก็ไม่เอาแล้วก็ปล่อย พอปล่อยเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราปล่อยอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันคือหนึ่งสุตตะมยาปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยาปัญญาดังนั้นถ้าท่านยังไม่ได้มีปัญญาก็ต้องไปสุตะมยปัญญาถ้าได้สุตตะมยปัญญาก็ต้องไปจินตมยาปัญญา ทำการบ้านแล้วก็ไปฝึกสมาธิเพื่อทําให้กินตาเมายะปัญญากลายเป็นภาวนามายะปัญญาต่อไปแล้วรับรองได้ว่าถ้ามีถ้ามีภาวนามายะปัญญาแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะต้องหมดสิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไปนิพพานก็คือที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนยาถาวาเลวหปุราปะิลปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปปักปติอิทิตางปฏทิตางตุมหังคิดป้าเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติ อารโสยะธาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีฤทสะนิจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐาติอายุวันโอสุขัง าลาลดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาสนทนาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุญาตงดถามตอบเพราะหมดเวลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กสามร้อยห้าสิบสามคนครับ y o u t u หนึ่ง้อยยี่สิบสามคนครับวิทยุออนไลน์สิบหคนครับผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยี่สิเอ็ดคนครับรวมทั้งหมดห1ร้อยสิบสามคนครับประจารย์อวันนี้มีญาติโยมตรงนี้อยากจะถามอะไรเลยออ่เอาไมโครโฟนให้เขาหน่อยพูดใกล้ๆปากเลยไมโครโฟนมันไม่เข้าไว กลับสวัสดีพระอาจารย์นะเจ้าคะที่เคยฟังทำกับพระอาจารย์มาจาก youtube ด้วยจากที่เคยมาฟังที่นี่ด้วยนะเจ้าคะหัวข้อที่พระอาจารย์พูดวันนี้เกี่ยวกับการลักิเลสการแต่งตัวในปัจจุบันต่างๆนะคะตอนนี้ตัวเองเนี่ยการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยมันเหมือน เหมือนเราอยู่ตรงกึ่งกลางคือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องแต่งตัวหรือดูดีในสังคมที่เราอยู่กับอีกในโลกหนึ่งของเหมือนเหมือนเหมือนเรามีสองอย่างในในตัวของเราเองในจิตใจเราตอนนี้นะคะว่า mm hmm. คือเบื่อเบื่อเวลาเราจะต้องออแต่งตัวหรือเราจะต้องออดูดีเพื่อจะไปงานไปธุระในสังคม อ, อาจจะต้องทำผมแต่งหน้าหรือการแต่งตัวต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งมันก็มีความจาเป็นในระดับหนึ่งของสังคมแต่ทุกครั้งที่ตัวเองเข้าไปในถึงตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเบื่อมันเบื่อว่าทำไมเราจะต้องมาทำผมทำไมเราจะต้องแต่งหน้าให้เราเพื่อจะดูดีด้วยเมื่อไหร่เราจะจบจากเรื่องพวกนี้สักที ถ้าถ้าวันหนึ่งเราไม่ต้องมานั่งออทำผมหรือแต่งหน้าหรือว่าซื้อเสื้อผ้าให้ดูดีสำหรับงานในแต่ละงานในบางโอกาสที่เราจะต้องไปเนี่ยเราคงจะมีความสุขมากตอนนี้เราอยู่ในกึ่งกลางตรงนี้ค่ะพระอาจารย์เพ<า>ราะ เ, เราไม่ได้ฝึกสมาธิไงยังไม่ได้มีความสุขในตัวเราเราเรายังต้องไปพึ่งความสุขข้างนอกตัวเราไปงานเลี้ยงต่างๆบางทีไปแล้วก็เบื่อแต่อยู่บ้านมันก็เงา ก็ยอมยอมไปดีกว่าเหงายอมเบื่อดีกว่าเหงาเถ<ะ>้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขถ้าเรา ม, มีความสุขเราก็อยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกต้องฝึกสมาธิให้มากๆคือสรุปแล้วคือเราไม่มีรถใหม่ก็ต้องใช้รถเก่าไปก่อน <c oughs> เราจใจว่ารถเก่ามันจะพังจะต้องซ่อมต้องปะก็ยังดีกว่าไม่มีรถน <c oughs> ถ้าเรา <c oughs> มีเงินซื้อรถใหม่เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องใช้รถเก่า รถใหม่ของเราก็คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงถ้าเรามีความสงบมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปงานนั้นงานนี้อยู่บ้านนั่งหลับตาฟุตโทรสองนาทีก็สงบมีความสุขล <c oughs> อะอยู่ตรงนั้นง <c oughs> นนพยายามหัดทำสมาธิให้ได้ <c oughs> ค่ะเจ้าค่ะคือก็ปกติทํำอาจจะเป็นในระดับหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยอาจเราอาจจะหย่อนบ้างเรายอมรับนะคะแม่เรารเราไปรับก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีใครทําแทนเราได้ค่ะเจ้าค่ะทีนี้ก็แต่จริงๆนะคะในความรู้สึกตอนนี้บางทีแบบเรารู้สึกว่ามันเมื่อไหร่จะจบชีวิตอย่างนี้สักทีเพราะถ้าเกิดเรา เราอยู่ในโลกที่สงบเราก็ไม่อยากจะไปไหนเลยอยากจะไม่อยากเจอคนไม่อยากจะไปทําอะไระไม่อยากจะไปเที่ยวไม่อยากจะไปอ่อคือมันน่าเบื่อ่ะ ใ, ในในในโลกในสังคมเนี่ยจริงๆมันตอนนี้มันน่าเบื่อสําหรับเราเพราะมันเบื <ๆ S 2> นะ่อก็คือทุกข์ไงเปลี่ยนคําว่าเบื่อเป็นคําี่ว่าทุกข์มาเป็นเบื่อท่านเองจรังจริง ม, มันก็คือทุกข์พระเจ้าก็บอกแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกมาตั้งห้าพันสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ค่ะพวกเราไม่เห็นเองไม่เชื่อเองใช่ค่ะถาลูกๆก็เบื่อไม่เบื่ออเด็กๆยังไม่เบื่อเด็กๆยังไม่เบื่อใช่ยังมันอยู่เขาเลยยังมันอยูเดี๋ยวต่อไปถึงเวลาเป็นเราก็ก็จะเบื่อเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะฝึกลูกๆก็จะสวดมนต์ลูกชายจะปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแล้วก็สวดมนต์ตลอดซ้อมไว้ก่อนนะดีเดี๋ยวพอถึงเวลาต้องการจะใช้จะได้ใช้ได้ค่ะเจ้าค่ะ ที่ผมเคยอ่านผมเคยดูยูทูบของพ่อครับที่แบบว่าให้แบบว่าพุดโธในการฝึกสติใช่ไหมครับแล้วคือก็คือนั่งหลับตาแล้วก็พูทโธอย่างเงี้ยหรออ๋อไม่ใช่ถ้าทำอะไรก็พูดโธไปทั้งวันเลยเอาแล้วอย่างเงี้จะมีสมาธิทาสิ่งที่ทำอยู่หรอครับเพราะสมมติถ้าเราคิดพูดโทรพูดโทรอย ing, ่างเงี้ยเราจะโฟกัสสิ่งที่ทำอยอู่หรออ๋อเวลาคุณทาอะไรอยู่คุณไม่ได้คิดเลยผมคิดว่าผมทําอะไรอยู่แต่ใครบอกว่าผมทำแล้วแต่ผมคิดว่าพูดโทร<อ>พูดโทรอย่างเงี้ยผมก็จะน <เอ S 2> <ๆ>ึกถึงว่าต้องพูดว่าพูดโธนะมันมัน สนใจก็จะลืมสิ่งที่แบบโฟกัสสิ่งที่ทำจริงๆไปอ๋อไม่ถ้าคุณทําอะไรอยู่คุณไม่ไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องพุทธโทอแต่ถ้าคุณทําำแล้วไปคิดถึงแฟนคิดถึงที่นั่นที่นี่ก็ค่อยพุทโธรดึงมันกลับมาเหมือนแบบถ้าฟุ้งซาแล้วไม่มีสมาธิเองหรอหรือคิดไปนั่นหละก็ค่อยพุทธโทรหรือใช้หัดเวลามันไม่ฟุ้งก็หัดพุทธโทไปก่อนก็ได้เพราะไม่หัดเดียวลาจะ้้มมมันไ่่แ ต้องเอาความรู้สึกจับไปตรงไหนไหมครับหรือแค่พดทธในใจเฉยๆอยู่ในใจเฉยๆใ ห, ใให้ให้รู้ว่าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราหยุดความคิดอย่างอื่นด้วยพุทธโอครับสารูค้ครับอ่าบทนั่นและอ่ะีใครอยากจะถามไหมบท น, นี้อ่าถ้ายังเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเอาไห ม, มไม่ถามแล้วนะมญญไม่ได้กระจาะ่างอ่เดี๋ยวเราทางบ้านก่อน เดี๋ยวใครอยากจะถามก็ถามได้ฝรั่งอยากจะถามไหม you got any question nothing okay คำถามจากทางไลน์ค่ะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคนที่เบี้ยวนี่เราเขาจะเป็นอย่างไรก็ชอโกงรักทรัพย์นั่นเองสองข้อเกินหนึ่งโกหกว่ายืมเงินแล้วจะใช้ให้ไม่ใช้ก็โกหกสองรักทรัพย์เอาทรัพย์ของเราที่เราไม่ให้ไป ก็สองก็ทงทำบาปสองข้อคำถามจากทางตายไปก็ไปเป็นเปรตเพราะทำบาปด้วยความโลภใช่ไหมอยากได้เงินก็เลยไปโกหกหลอกลวงไปลักขโมยมันก็จะไปเป็นเปรตคำถามจากทางอินบ็อกค่ะถ้ามีคนเปิดบทสวดมนต์ฟังแต่ดันเปิดไม่ถูกที่แบบเปิดในห้างสรรพสินค้า แล้วเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาจะได้บุญหรอครับแต่เปิดแล้วก็นั่งกดกดมือถือเดินไปเดินมาก็เขาคงจะกิดเป็นเพลงแบ็กเป็นเสียงแบ็กกราวไปมั้งเขาเบื่อเสียงรอบๆเขาก็เลยเอาเสียงสวดมนต์มาเป็นเสียงแบ็กกราวไปเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะการจะได้ประโยชน์จากการฟังบทสวดมนต์ก็คือต้องตั้งใจฟังเมือฟังเทศอย่างเนี้ฟังแล้วใจก็จะสงบ ถ้าเราวุ่นวายใจพอฟังเสียงสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งความวุ่นวายใจก็หายไปได้ถามได้พูดใกล้ๆปากนเลยอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะคือก่อนนั้นเนี้ยค่ะคือปฏิบัติได้ดีกว่านี้จิตใจก็สงบมีสติดีกว่านี้ค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยคือจิตใจฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยก็ไม่ปฏิบัตินนะมันก็ฟุ้งอยู่ดิ มันรถเนะ่ยถ้าเหยียบเบรคไว้มันก็หยุดเนาะพอะปล่อยเบรเมื่อไหร่มันก็วิ่งเยใจเราก็เหมือนรถเนะ่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติสติเมื่อไหร่มันก็ฟุ้งเมื่อนั้นนะั่นก็กลับมาพุโทโธพุโทโธดึงจิตกลับมาอย่าให้มันคิดปรุงแต่ใช้บทสวดการสวดมนต์ก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้อันนี้หมายถึงไม่ว่าเราจะทําอะไรน ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่มารอไม่ใช่มารอตอนที่มานั่งเพราะวาเวลาเรามานั่งมันมี น, มน้อย เราต้องใช้สติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเรายังไม่ต้องใช้ความคิดก็มันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็หยุดมันเสียพุโทโธพุโทโธไปแทนอาบน้ำก็พุโทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธเดี๋ยวไม่นานสติก็กลับมาสมาธิก็กลับมารบเราทิ้งมันไปเองจากคำถามที่น้องถามเมื่อกี้นะค ะ, ะคือจากที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ย รู้สึกว่าจิตจิตเราเนี่ยสมมติว่าบางครั้งเราทําอะไรก็ตามเอเราคิดโดยปกติสติเราสมองเราต้องคิดอะไรอยู่แล้วแต่พอเรารู้ตัวของเราปั๊บตอนนี้สติกลับมาทันทีกลับมาที่เราทันทีกลับมานานเท่าไหร่เ่ยกลับมาทันทันทีแต่มันอยู่ได้นานเท่าไหร่เจ้าค่ะใช่มันปัญหาคือกลับมาได้ก็ยังดีแต่กลับมาปัก็เดี๋ยวก็ไปก็เดี๋ยวก็หายก็แล้ ค่ะแล้วเขาจะเหมือนแบบว่ามันมันจะนิ่งนิ่งรวมมากเวลาเขากลับมากลับมาแล้วก็จะนิ่งแล้วก็คือจากการที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเวลากลับมาก็จะสับสายสับสนเหมือนล้นลนในจิตเราที่เราเห็นแต่หลังจากที่ผ่านมาก็ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันเอ่อทุกวันนี้พอพอสติอยู่กับตัวปับ๊บมันจะหยุดอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแล้วคือจากประสบการณ์ของตัวเองนี่นะคะออตอนนี้คือก็จิต ค่อนข้างเป็นสุขเยอะมากเยอะมากจริงๆคือคือคือจากที่ถามคำถามที่ตอนที่ว่าเวลาเราไปงานเราต้องแต่งตัวเนี่ยเรากับกับจิตที่เราเป็นสุขเวลาเราอยู่กับตัวเองจิตอยู่กับตัวเองเนี่ยพอเวลาเราจะต้องมีธุระอะไรก็ตามเนี่ยมันเราจะเห็นจิตตัวเองว่าตอนนี้จิตจิตเราเนี่ยจะทุกเวลาเราจะต้องไปธุระไปอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเหมือนที่จาร์บอกว่า เวล า, าผมขาวหรือแต่งหน้าเราจะต้องแต่งอะไรประมาณเนี้ยเวลาเราพ อ, พอจิตเรานิ่งปับ๊บพอเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นปับ๊บเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดมันไม่ใช่ความสุขเลยกับชีวิตของของคนโดยของตัวเองด้วยอะของตัวเองเนี่ยไม่ต้องมองคนอื่นอมองตัวเองอ ะ, มอ ง, องอะมองตัวเองว่าอันเนี้ยคำคาพูดที่เคยฟังพระอาจารย์สอนหลายครั้งว่ามันทุกอย่างมันไม่เที่ยงนอกจาก ตัวเราจิตที่ตัวเราธรรมชาติที่ตัวเราอันนี้เที่ยงที่สุดเป็นความสุขที่สุดอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะเท่าเท่าที่เห็นกับตัวเองนะค่ะเด็ดเดก็พยายามทำตามที่เราเห็นให้ได้อยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความสุขที่แท้จริงอย่าไปอยู่กับความสุขปลอมกับสุขที่เราจะต้องออกไปไหนหรือเราต้องไปเจอคนมันเป็นสุขที่มันไม่มีความสุขเลย มันมันเป็นสุขที่ปลอมแล้วมันน่าเบื่อในความรู้สึกคือมันเหมือนมันมันถึงวันที่เรารู้สึกว่าสิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมันน่าเบื่อถ้าเราต้องไปเพราะมันเป็นหน้าที่ก็อยากเราก็ต้องหยุดความอยากไม่ไปแล้วมันจะไม่เบื่อที่เราเบื่อเพราะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราไม่อยากไปแต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่จําเป็นจะต้องไปปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องทําใจว่าเราต้องไปเป็นเหมือนไปทํางานค่ะมันก็จะไม่เบื่อ อ๋อค่ะใช่พอทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องไปนรื่อแต่ถ้าไม่จำเป็นจะต้องไปก็ไม่อยากไปอใช่ค่ะไม่อยากไปถ้าจําเป็นจะไปก็คิดว่าเป็นการไปทํางานทําหน้าที่แล้วมันก็จะไม่เบื่อเหมือนการับไปทํางานบางทีเราเบื่อแต่เราก็ต้องไปทําเพอาะถ้าไม่ทําเดี๋ยวอดอย่าอดตายอ่คะก็คิดอย่างนี้ก็แล้วกันคิดว่าเป็นการไปทํามาหากินไม่ได้ไปหาความสุขค่ะ เจ้าค่ะใช่ค่ะเป็นจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นมันก็จะไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่มันก็จะพอพอทนทําไปได้โอ้ทาตามหน้าที่แต่ถ้ามีโอกาสที่จะปลดเปลื้องหน้าที่เหล่านี้ได้เมื่อไหร่ก็ปลดมันไปจะปลดได้ก็ต่อเมื่อเราได้ความสุขในใจเราหนูรู้สึกว่ามันคงอีกไม่นานไม่กี่ปีหนูคงจะต้องปลดเรื่องพวกนี้ฮะรู้สึกว่าเราดีเราไม่โอเคกับเรื่องนี้ราะเสียพอเวลาไม่มีแน่นอน เจ้าค่ะใช่จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ค่ะ ค, <น S 2> คิดว่าวันวันที่เราจะต้องหยุดเลยคิดว่ามันคงจะใกล้ๆนี้นั่นแะค่ะความรู้สึกตัวเองคนที่มาหาเรานี่หายไปหลายคนนะไปแบบไม่กลับแล้วก็ไม่ได้แก่ด้วยไม่ได้แก่ทุกคนที่มาแล้วไม่ได้มาอีกเนี่ยบางคนก็ถึงเวลาเขาออก็ไปของเขาอย่าอย่าประมาทพระพุทธเจ้าบอก ตอนนี้มีเวลาเท่าไหร่รีบมาสร้างความสุขในใจให้เกิดขึ้ น, นจ้ค่ะสวัสดีค่ะคือหนูอยากจะทราบว่าอย่างสมมติหนูว่าอยู่ในวัยเรียนอย่างเงี้ยหนูก็แบบมีหลายอย่างที่ต้องทําเช่นการเรียนแล้วก็กิจกรรมหลายอย่างด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือหนูอยากจะทราบว่าถ้าเกิดสมมติเวลาเราทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอะแบบ มีจิตโฟกัสกับเรื่องนั้นตลอดเวลาคือเราไม่ได้วอกแวกหรือว่าคิดเรื่องอื่นเลยแต่ว่าใจเราอยู่ในงานที่เราทำอย่างเงี้ยคือมันจะคล้ายๆกับการที่เราแบบมันนั่งสมาธิแล้วก็จเจริญสติวิปัสสนาไหมอะคะ่ะก็คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันคือมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่สงบยังไม่นิ่งยังไม่มีความสุขจากความสงบต่างกันแต่เบสติจดจ่อเหมือนกันใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราทําอยู่แต่ ผลที่ได้รับไม่เหมือนกันผลก็คือใจก็เรายังก็ยังไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกสุขอะไรงั้นถ้าเราอยากจะสุขเราต้องปล่อยงานที่เราทำแล้วนั่งหลับตาแล้วก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือจดจ่ออยู่กับพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วใจจะสงบจะนิ่งจะเย็นจะสบายอีกเรื่องที่หนูอยากทำคือแบบหนูมีเพื่อนบางคนที่เขาแบบว่าเหมือนกับ ชอบอวดรวยหรือว่าอะไรเงี้ยคะหรือว่าทําตัวว่าเขาดีกว่าเราอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็รู้ว่าแบบมันไม่ใช่ความจริงคือหนูอยากจะรู้ว่าเราอ่ะควรจะสงสารมีเมตตาเราคบเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปหรือว่าเราควรจะหนีเขาดีอะค่ะก็อย่าถ้ายังต้องคบกับเขาอยู่ก็มีเมตากับเขาไปถ้าเลิกคบได้ก็อย่าไปคบเพราะะเจ้าบอกให้เลือกคบคนฉลาดอย่าไปคบคนโง่อคนโง้อเดี๋ยวเขาจะพาเราโง้อด้วย เข้าใจแล้วค่ะถ้าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังโง่ อ, อยู่ยังหลงอยู่ยังหลงกับลาบยศสรรเสริญอยู่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังกอดกองทุกข์อยู่ถ้าเราอยู่กับเขาเขาก็จะหลอกให้เราแข่งกับเขา <c oughs> แล้วก็จะโง่ตามเขาแต่เราฉลาดเราโชคดีมีพ่อมีแม่มีแม่พาเข้าวัดให้เรารู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมแต่เรายังต้องอยู่กับคนเหล่านี้อยู่ก็ คบก็บเข้าไปด้วยความเมตตาแต่อย่าให้เขามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราก็แล้วกันเขาชวนให้เราไปชอบ ป, ปิง้งไปเที่ยวไปหาเงินเราก็อย่าไปคือถ้าเราหาเงินก็หาด้วยเพราะเราต้องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแต่เราไม่ได้หาเพราะเราอยากจะร่ําอยากจะรวยอะไรเอาเวลามาหาธรรมะดีกว่าหาทรัพย์ภายในคือความสงบดีกว่า คือถ้าเราเจอคนคนแบบนี้ในสังคมซึ่งมีเยอะเนี่ยเราก็พยายามห่างเขาแล้วปล่อยวางไปกับเขาถ้าถอยได้ก็ถอยถ้ายังต้องพบปากกันก็อย่าให้เสียมารยาท อ, อย่าให้เสียความเมตตาพบกันไปเพราะบางทีเรายังต้องทำธุรกิจหรือทำอะไรร่วมกันอยู่ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เพราะเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมก็ทากันไปถ้าเราสามารถแยกตัวเราออกจากเขาได้ก็แยกไป ก็อ <Okay. S 2> อยู่กับเขาเดี๋ยวเขาก็จะมีอิทธิพลเขาก็จะชวนเราไปทําในสิ่งที่เขาอยากทําชอบทําที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ดีแต่ถ้าเราปฏิเสธเราก็จะเสียเสียเพื่อนเสียมารยาทแต่เราก็ต้องต้องปฏิเสธถ้าเราต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องเราก็ต้องยอมเสียเขาไปเพื่อรักษาความถูกต้องไว้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะนามสการพระอาจารย์ครับคำถามนั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดปวดหลังมากจนต้องนั่งพิงเป็นอะไรไหมครับสาธุก็ไม่เป็นอะไรแล้วเพียงแต่ว่านั่งพิงมันสบายมันอาจจะทำให้หลับได้แล้วแานจะนั่งสมาธิก็จะกลายเป็นนั่งหลับไป <c oughs> คำถามจากคุณอุ้มค่ะ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในทางพระพุทธศาสนามีคำสอนใดเกี่ยวเนื่องกันไหมเจ้าคะและในความเห็นของพระอาจารย์ท่านเห็นว่าจำเป็นหรือไม่อย่างไรขอคำแนะนำด้วยเจ้าคะก็เกี่ยวตรงที่เลี้ยงพระไงพระไม่มีใครเลี้ยงก็อดตาย น, นันงแต่เลี้ยงที่ไหนก็ได้ไม่ต้องนิมนต์ไปเลี้ยงที่บ้านไปเลี้ยงพระที่วัดก็ได้ไปเลี้ยงพระตอนที่พระเดินบิณฑบาตก็ได้ มันจําเป็นจะต้องไปผูกกับบ้านใหม่แต่ตอนนี้ธรรมเนียมคนเราเชื่อกันว่าอะไม่เลี้ยงพระที่บ้านเราจะทาให้บ้านเป็นมงคลนะโจรผู้ร้ายจะได้ไม่เข้าไฟจะได้ไม่ไหม้แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อไฟมันจะไหม้มันไม่มาถามเนาะบ้าน บ, บ้านนี้เลี้ยงพระหรื อ, อยังเขโมยจะขึ้นบ้านมันมาถามแล้วว่าบ้านนี้เลี้ยงพระหรื อ, อยังแล้วมันไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ความรู้สึกความเชื่อและทําให้เขาต้องทํา พอไม่ทำแล้วเดี๋ยวเกิดเหตุอะไรขึ้นมาที่บ้านแล้วก็จะคิดว่าเนี่ยพอเราไม่ได้ทําบุญเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ก็เลยมีมีเรื่องมีลาวไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงธรรมะอย่างแท้จริงคือเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้กมลอยจะขึ้นบ้านไฟจะไหม้นี่มันห้ามไม่ได้เราก็ทําได้ดีที่สุดก็คือพยายามปกป้องรักษา แต่ถ้ามันเหนือวิสัยเรามันก็ต้องเกิดก็ต้องเกิดนแล้วผ้ามาฉันที่บ้านก็ไม่ได้มาหยุดมันได้หรือบางคนกบ็บริษัทก็ต้องนิมนต์ผ้าไปฉันแล้วบริษัทจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือ ง, งขายดิบขายดีมันก็ไม่ใช่อันมันคนละเรื่องกันแต่เรื่องเลี้ยงผ้าเนี่ยดีเพราะผ้าต้องให้มีคนเลี้ยงถ้าไม่มีคนเลี้ยงผ้าผ้าก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกกันไป แต่การเลี้ยงพระก็มีหลายรูปแบบวิธีที่พระเจ้าเสนอนะก็คือวิธีใส่บาตรนี่วิธีนี้เป็นดีที่สุดเพราะพระก็ได้รับประโยชน์ดีกว่าไปฉันที่บ้านเพราะฉันที่บ้านพระไม่ได้บิณฑบาตทําให้พระขี้เกียจเอกสองอาหารที่ไปฉันที่บ้านก็มักจะเป็นอาหารที่เตรียมไว้อย่างดิบอย่างดีไม่เหมือนกับอาหารที่ได้ในบาตาารในบาตรนี้ก็มันมีคนทุกระดับที่ใส่บาตร จะทําให้พระนิเสียได้พอไปฉันที่บ้านบ่อยๆก็จะติดอยากจะไปฉันที่บ้านพออาหารที่บ้านเขาเวลาจัดงานเขาจะเอาอาหารที่วิเศษเลิศหรูมาเลี้ยงพระแต่เวลาอาหารสายบาตนี้เขาก็หาตามมีตามเกิดเห็นพรเจ้าไอยากให้พระเลี้ยงตัวเองด้วยการบิณฑบาตมากกว่าแต่เมื่อยังต้องเกี่ยวข้องกับญาติโยมอยู่บางครั้งก็ต้องอนุโลมญาติโยมจะนิมนต์ไปบ้านก็ไปให้เขาแต่ไม่ถือเป็นเป็นหลัก หลักของการเลี้ยงพระหมายถือเป็นการใส่บาตรเป็นการบิณฑบาตเราจะได้รับประโยชน์ทั้งญาติโยมทั้งพระญาติโยมก็ไม่ต้องวุ่นวายอยากจะซื้ออาหารทำอาหารก็ง่ายหรือทำอาหารเลี้ยงทำอาหารกินอะไรก็แบ่งอาหารที่เรากินนี่ใส่บาตรได้เลยแล้วก็พระก็จะได้ไม่ขี้เกียจได้ตื่นแต่เช้าเพราะพระจะบิณฑบาตนี่ต้องตื่นเช้ามืดกันถ้าพระไปรับเลี้ยงเพงนี่นอนสายโด เก้าโมงสิบโมงค่ตื่นก็ได้ก็ไปส่งเสริมให้พร ะ, ะขี้เกียจทําให้พระเสียเสียหน้าที่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญต่ อ, อการบินตบบาทตัวพระพุทธเจ้าเองก็ทําเป็นตัวอย่างทําไปจนถึงวันตายเลยกูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่มีชื่อเสียงอย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็บินตบบาทไปจนวันที่ท่านไม่สามารถบินตบบาทได้เพราะท่านถือว่านี่แหละคือหน้าที่ของพระ การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพระที่ถูกต้องสัมมาอาชีพของพระคือการบินธบาตแต่เรื่องการรับกิจนิมนต์ถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะอนุโลมบ้างแต่ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเลอะเทอะจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่มาทําลายหน้าที่หลักคือการบินธบาตินี่คนเคยมาที่วัดปา่าบ้านตานี่หลวงตาท่านจะไม่ให้พระรับกิจนิมนต์ถ้าจําเป็นจริงๆท่านจะไปองค์เดียว ไปแทนวัดเนะที่เขาอยากจะได้เก้าองค์หลวงตาก็บอกก็เลือกเอาเอาเก้าองค์ก็ได้แต่เราไม่ไปถ้าจะเอาเราไปก็ไปองค์เดียวเขาก็เลยต้องเอาท่านไปองค์เดียวสําหรับท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านหมดหน้าที่แล้วท่านเรียนจบแล้วะท่านจะไปบินตบาทไม่บินตบาทนี่ไม่มีผลกระทบต่อปริญญาที่ท่านได้รับแล้ว แต่พระที่ยังไม่ได้รับปริญญาเนี่ถ้าไม่ไปบินนบาตนี่มันจะมีผลเสียหายต่อการไปรับปริญญาต่อไปท่านจึงสมหวนพระไม่ให้พระออกรับกิจนิมนต์ที่วัดป่าบ้านต่านี่ท่านจะไม่ให้พระรับกิจนิมนต์ถ้ามีความจําเป็นท่านไปองค์เดียวแล้วให้เขาเป็นนิมนต์พระองค์อื่นมาสมทบก็ได้อตามมาคํำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามทางเฟซบุ๊กค่ะ อยากเรียนสอบถามวิธีการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แค่บุพกาบุปกาลีค่ะเดิมชวนปฏิบัติภาวนาด้วยกันที่บ้านแต่เหมือนท่านยังศรัทธาน้อยค่ะก็ให้ท่านศึกษาพุทธประวัติเนี่ยหรืออ่าถ้าท่านอ่านเองไม่ได้ก็อ่านให้ท่านฟังเนื้อหาหนังสือหาวิดีโอที่เกี่ยวกับพุทธประวัติให้ให้ท่านได้ดู พุทธประวัติอันนี้มันก็แบบแบบบันเทิงก็มีแบบที่มีสาระก็มีเราก็ต้องรู้จักเลือกแบบที่มันเป็นสาระถ้าแบบบันเทิงนี่มันจะมั่วมันจะมีเรื่องจริงไม่จริงปนกันไปตามจินตนาการของผู้ผลิตเนี่ยเราต้องหาสารคาดีที่มันตรงกับความเป็นจริงเห็นแล้วจะทราบประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดศรัทธา หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็พาไปหาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้คุยได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านอันนี้ก็จะอาจจะช่วยได้คำถามจากคุณพิทักษ์ค่ะในการพิจารณาทางด้านปัญญาหากเราพิจารณาตามหลักอนิจจ์ทุกขงังอนัตตาหากใจเรายังไม่สามารถปรองได้วางได้หรือเข้าอย่างลึกซึง้ง ควรที่จะพิจารณาในด้านนี้บ่อยๆและมากกว่าเดิมใช่หรือไม่ครับถ้าเราลืมก็เราก็ต้องพิจารณาหรือถ้าเรายังไม่เข้าใจยังเห็นไม่ชัดเราก็ต้องพิจารณาเพราะของบางอย่างนี้มันต้องใช้การแยกแยะเป็นหรือการเปรียบเทียบถึงจะเห็นชัดบางคนอยากจะเห็นอ น, นิจจังนี้ต้องเห็นดอกไม้ร่วงถึงจะเห็นอ น, นิจจังอ๋อดอกไม้นี่มันก็อ น, นิจจังใช่ไหม เวลามันบานเราตัดมามาบูชาพระใส่ในเจกันสวยงามพอสองสามวันผ่านมาอ่ามันร่วงโรยไปแล้วเหี่ยวไปแล้วบานไม่ไม่รู้โรยไม่มีมีบานแล้วต้องโรยอันนี้บางคนมองไม่เห็นอันนี้จังเลยต้องอาศัยสิ่งอย่างอื่นมาเปรียบเทียบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราโอร่างกายของเราต่อไปมันก็ต้องแก่เนาะมันต้องเจ็บมันจะต้องตายเนาะ นั่นมันถึงยากที่จะเข้าใจทางปัญญาสําหรับบางคนเข้าใจง่ายพอพูดปั๊บคำเดียวเข้าใจเลยฉลาดบางคนพูดแล้วไม่รู้ว่าอันนี้จังเป็นยังไงไม่เที่ยงเป็นยังไงก็ต้องให้มีการสอนมีการแยกแยะมียานยกตัวอย่างเหมือนเด็กบางทีสอนไม่รู้เรื่องต้องวาดเป็นภาพการ์ตูนให้เห็นชัดว่าไก่เป็นยังไงแมวเป็นยังไงต้องวาดให้เห็นเป็นตัวเป็นตัวไป อันนี้ก็เรื่องของปัญญาถ้าเรา ย, ยังไม่เข้าใจอย่างจำแจ้งอันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าเป็นยังไงเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไม่เข้าใจก็ต้องไปถามคนที่รู้เมื่อรู้แล้วถ้ายังปล่อยไม่ได้ยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิก็ต้องไปฝึกสมาธิเมืนต้องมีทั้งสองอย่างต้องเห็นด้วยปัญญาและต้องมีสมาธิจึงจะสามารถปล่อยวาง ตัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างตอนนี้ยอมก็เห็นไม่เที่ยงเห็นเรื่องไร้สาระต่างๆแต่ยังตัดไม่ได้เพราะยังไม่มีสมาธิมันก็จะมาอ้างว่าเป็นหน้าที่ขึ้นมาทันทีแต่พอมีสมาธิแล้วมันไม่เป็นหน้าที่แล้วมันเป็นภาร ะ, ะจะโยนทิ้งทันทีต่อไปคาถามต่อไปค่ะพระสงฆ์ที่เรียนวิชาอาคม มาช่วยเหลือคนผิดพระธรรมวินัยไหมครับผิดไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์ที่จะมาช่วยคนแบบนั้นให้ช่วยคนรอดพ้นจากกองทุกข์ด้วยธรรมะไม่ได้มาช่วยคนด้วยคาถาอาคมต่างๆเพราะช่วยได้แค่ร่างกายแล้วก็ช่วยไม่ได้นานร่างกายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีดังั <c oughs> ้นไม่ใช่เป็นวิธีช่วยที่ถูกเหมือนหมอที่ อคนไข้มาโรงพยาบาลหมอก็เาหนังวีดีโอมาให้คนไข้ดูคนไข้ก็เพลิดเพลินกับดูหนังแต่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้รักษาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายขณะที่ดูวีดีโอนั้นเกิดไม่ได้ทําหน้าที่ของพระพระมีหน้าที่สอนธรรมะให้ดุดพ้นจากกองทุกข์ไม่ใช่มาเปล่าคาถาอาคมอะไรต่างๆทํายันทําอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระ หมือนหมอหน้าที่ของหมอคือรักษาคนไข้ไม่ใช่มาเอนเตอร์เทนคนไข้่ขคนเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเหมือนเหมือนโรงแรมใช่ไเอนเตอร์เทนคนไข่มากก่อนรักษาใช่ไหม<ช>ไ ป, <ช>ไปโรงพยาบาลแล้วโอยเหมือนไปอยู่เข้าไปอยู่โรงแรมห้าดาวเออหมอคนไหนเอนเตอร์เทนเก่งคนไข้จะ <c oughs> ติดอิแล้วคนไข้ก็ตายอย่างะ <c oughs> ตายอย่างยากตายอย่าง อย่างอย่างเสียงกัินมากตายแพงก็เลยตายแพงข้อ3ถูกครับเมื่อเราผมสวดมนต์หน่อยครับพอเห็นมีบทสวดเยอะมากเลยครับแบบพาหุงชิมันชอนยันทุนหาเมดนาใหญ่ภาษีวลีอะไรแบบเงินล้านแล้บบเยอะแบบเยอะแบบหลายบทมากครับอย่างนี้แล้วคนจะสวดบทไหนครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าาอย่งเกอย่างเรับคืาต้องการเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราสวดเพื่ออะไรผลที่เราจะได้รับจากการสวดนี่คืออะไร ถ้าเราไม่รู้ก็แสดงเราเราหลงการสวดก็คือการฝึกสตินี่เองแทนเท็จเหมือนกับการใช้พุทธโธคือพุทธโธนี่เรามอนง่ายเราไม่ต้องเปิดหนัง ส, งสือดูแต่ถ้าสวดบทคาถาต่างๆนี้มันต้องเปิดหนังสือเพราะเราจําไม่ได้แล้วมันจะเราก็จะสวดได้แต่เฉพาะเวลาที่เราว่างเวลาที่เรานั่งมันก็ทําเป็นการจเจริญสติอย่างหนึ่งแต่น้อยไม่เหมือนกับพุทธโธ พระุ้ทเรู้อยู่ในใจเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลางั้นคาถาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาถาไหนก็เหมือนกั น, น, น, นคือก็เป็นการฝึกสติําใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเหมือนกันแล้วอย่างนี้คาถาจะมีอะไรส่งตามที่เขียนไว้ในหนังสือไม่มีหรอกไม่มีที่เขียนแบบอู้สวดนนะอันนี้มา <จะ S 1> ก็หลงด้วยกันไป ส่วนนี้จะปลอดภัยอายุยืนเหือนหนอย่างนี้กับผีแล้วยืนหรือเปล่าไม่รู้ครับที่สุดไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะยืนไหมก็ตายทั้งนั้นครับ้าดูครับหนูอยากรู้ว่าอย่างพวกสักยันลงคาถาอาคมเป็นเรื่องที่มีจริงไหมอะค่ะาะมันมีจริงแต่ไม่มีผลจริง ยันก็มีอาคมก็มีเอ้าอย่างพวกฟันไม่เข้าความจริงฟันเข้าอ่ะค่ะก็ตายกันหมดไม่ใช่ไหมมีใครไม่ตายบ้างอะถ้าฟันไม่เข้าเดี๋ยวหมอผ่าตัดก็ผ่าไม่ได้เนยหนูค่อยอ่านมาว่าเหมือนกับสําหรับคนที่ลงคาถาอาคมแบบนั้นคือก็ต้องมีวิธีการฆ่าที่แบบต่างจากคนทั่วไปแบบเหมืนต้องเอาไปถ่วงน้ํำอะไรงเงี้ยค่ะก็เขาว่าอะไรเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูก่อนถ้าเรายังไม่เห็นตามที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องไปเชื่อเขา